ช่วงที่ไปพักที่ฮอลแลนด์ในซองสองสุดท้ายก็ได้ไปพักที่บ้านโยมบ้านครอบครัวหนึ่งสามีเป็นดัชแต่ว่าภรรยาเป็นคนไทยเธอก็เล่าว่า เวลากลับไปเมืองไทยแล้วก็ชอบไปที่ร้านอาหารมีร้านหนึ่งนะเขาขายขาหมูอยู่แถวแจ้งวัฒนะหรือว่าแถวชานเมืองสักหน่อยเนี่ย คนขายเนี่ยก็เป็นก็ดูเป็นหญิงมีอายุหน่อยนะคนจีนเธอเขาเรียกว่าเป็นอมาม่าแต่จริงๆก็คงอายุไม่มากเท่าไหร่หกสิบกว่าตัวเธอก็ห้าสิบกว่าไปแล้วเธอบอกว่าขาหมูนี่ร้านนี้อร่อยมาก ไปทีไรก็กลับเมืองไปเมืองไทยทีไรก็ต้องแวะที่ร้านนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าเธอปรุงอาหารยังไงทำไงทำให้อร่อยอยากรู้ก็อยากถามมาหลายครั้งร้านหนึ่งก็ตั้งใจถามเพราะว่าอยากจะไปเปิดร้านอาหารที่ที่เมือง ที่เธออยู่นะ่นคืออูทริกไถามว่าทำไงทำไมถึงทำยังไงถึงปรุงอาหารให้อร่อยเนี่ยเดี๋ย ว, วาขาหมูแม่แกก็ตอบสั้นๆว่าเนี่ยใส่ใจนะใส่ใจแก็ชอบคำตอบนี้มากนะเพราะว่า จะใส่อะไรลงไปใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่กระชายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สำคัญทัง้งว่าใส่ใจก็คือว่าแกอเม้าเนี่แกก็ให้ความใส่ใจกับอาหารที่ปรุงไม่ว่าจะใครมากินใครมาซื้อ ก, ก็ใส่ใจในการปรุงในการทำ เธอได้ ข, ดขอ้อกินีไปนในการไปเปิดร้านอาหารที่อูทเทร็เป็นร้านง่ายๆเล็กๆเกพราะจริงๆเธอก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วเป็นประเภทว่าทำเหมือนกับว่าทำใส่ถุงคนมีที่ให้คนนั่งกินแล้ว สัก10คนแต่ส่วนใหญ่คนก็ก็จะมามาซื้อแล้วไปกินข้างนอกก็เรียกว่าต้องขายดีราคาก็ไม่แพงเพราะว่าอยู่ในย่านนักศึกษาเปิดก็แค่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มเธอก็ มมีความสุขการทาสามีก็จริงๆก็เป็นมีบริษัทแล้วก็ทำเรื่องการวางแผนการการจัดหน้าทำอาร์ตเพื่หนังสือหรือโปสเตอร์ก็ทานะาก็ดีแต่ก็ ตั้งใจว่าอยากจ ะ, กะเกษียณแล้วเบื่ออย่ามาช่วยเมียทำร้านอาหารดีกว่าทำสนุกสนุกแต่ก็ไม่ลืมที่อาม่าบอกว่าเนี่ยนะให้ใส่ใจเพราะว่าใส่ใจนี่มันมันมีความหมายตรงตัวเลยนะก็คือว่าเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่เราทำ เราทําอะไรก็ตามเนีเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราเอาใจใส่ลงไปสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาเอาใจใส่ลงไปในอาหารอาหารก็จะอร่อยมีหลายครอบครัวนะที่ลูกๆนี่แกติดใจฝีมือแม่มากกว่าที่ร้านอาหารข้างนอก<ม>ก็เพราะว่า แม่นี่ใส่ความรักใส่ใส่ใจลงไปเครื่องปรุงหรือว่าอะไรก็อาจจะมีไม่มากนะแต่พอใส่ใจลงไปแล้วมันก็เป็นอาหารที่อร่อยภาพถ่ายหลายภาพเนี่ยของศิลปินระดับโลกเนี่ยกล้องก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เขา มีมากกว่าคนคือเอาใจใส่ลงไปในผลงานภาพที่ได้ก็เลยเป็นภาพที่เรียกว่าคลาสสิกมีมีบอกบ่งบอกถึงอารมณ์แล้วก็ให้ความหมายมีในยะซ่อยความหมายไว้อันนี้มีเยอะนะบางภาพก็เป็นภาพถิวททัศน์อย่างพวกยังมีนับ ถ่ายรูปของเชื่ออันเซนอนเซนอันดำเกาชอบถ่ายพวกวิวทิวทัศน์ธรรมชาติภาพขาวดำกล้องกอง็กล้องโบราณมากเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีกล้องดีแต่ถึงวันนี้กอที่ก็ถ่ายยังภาพที่ก็ถ่ายก็ยังเป็นภาพที่คลาสสิกก็ยังถือว่าเป็นเป็นผลงานระดับโลกอยู่ ทั้งกล้องทุกวันนี้ก็มีกล้องราคาแพงเยอะเลนเป็นแสนแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับของแอเซนต์อันดัม a ับเป็นอเมริกันทำงานเนี่ยทำงานแล้วใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวนะที่ว่าการทำงา น, นการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่อาจารย์วุทาน์ว่าเนี่ยมันก็คือเอาใจใส่ลงไปด้วย ก็คือมีสติกับงานที่ทํามันก็เป็นการปฏิบัติธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําม่เป็นถูฟันไม่เป็นซักผ้าหรือว่ากวาดบ้านการกวาดบ้านเป็นการปฏิบัติธรรมได้ขับรถถ้าขับรถบยังมีสติมันเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ ไ, ไมไ่ขับไปใจลอยยิ่งทําอะไรที่ เป็นกิจวัตรแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นการกระทําที่ศักแต่ว่าทำศักแต่ว่าทำก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าอในความหมายในทางธรรมนะศักดิ์แต่ว่าทำก็ว่าทําไปให้ศักแต่ว่าได้ชื่อศักดิต่ชื่อว่าได้ทําหรือว่าทําให้มันพอเสร็จเสร็จไปหรือว่าบางทีก็ทําด้วยความเครียดนะ เพราะใจไม่ได้ใส่ลงไปในงานแต่ใจมันไปใส่ที่อื่นมากกว่าใจมันไปใส่อยู่ที่ผลของงานไปตรจ อ, อยว่างานจะเป็นยังไงเมื่อไรเมื่อไรจะเสร็จทำอะไรก็เลยทำด้วยความเครียดเพราะว่าเป็นทุกข์เพราะอยากให้เสร็จไวๆหรือเพราะกลัวว่างานมันจะไม่ดี คนก็จะพูดยังไงคนก็จะว่ายังไงกับงานของเราเนี่ยอันนี้เราใจมันไม่อยู่กับงานมันอยู่กับผลของงานหรือไปอยู่กับอนาคตบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรกพถึงสิ่งเที่ยงมาไม่ถึงคนส่วนใหญ่นี่ใจไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับงานัแต่ใส่ใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว หรือว่ายัางมาไม่ถึงเลยเพราะยังมาไม่ถึงเนี่ยเพราะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ามาไม่ถึงก็ได้แก่ผลผลงานที่จะออกมาทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนี่มันจะมีค่ามากงานธรรมดางานเพื่นๆก็กลายเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมไป ลมหายใจก็เหมือนกันนะเวลาหายใจปกติก็หายใจมืนกัลดทิ้งไปเปล่าๆหายใจออกก็ลดทิ้งหายใจเข้าก็ได้แต่ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายมันก็ดีอยู่แต่ถ้าใจใส่ลงไปในลมหายใจมันก็มันก็กลายเป็นลมพิเศษช่วยนําความเย็นมาหล่อเลี้ยงจิตใจช่วยดับความรุ่มร้อนภายในอก ช่วยขจัดปัดเปล่าสิ่งที่หนัก อ, อกหนักใจปัดเปล่าความหนักอกหนักใจออกไปหรือว่าช่วยทำให้จิตใจมันโปร่งโล่งนะไม่ถูกบีบคั้นอารมณ์วิเศษนี่มันอยู่กับเราทุกคนเพียงแค่เอาใจใส่ลงไปเท่านั้นแหละ ก็คือใส่ใจกับลมหายใจที่เขาลวออกเวลาเดินจงกรมนะก็การเดินนะการเดินขึ้นกุฏิขึ้นเขาเดินมิตรบาก็กลายเป็นการเดินจงกรมหรือปฏิบัติธรรมได้ไมมเอาใจใส่ลงไป มันต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องถึงกับไปบังคับหรือไม่ต้องถึงกับไปเพ่งใช้ความพยายามนิดหน่อยเพราะธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันชอบเมือยลอยจะว่าเป็นธรรมชาติของสมองด้วยก็ได้เพราะว่าเขาพบ ว, ว่าสมองคนเราเนี่ยประมาณอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยสมมเราทางานแปดชั่วโมงเนี่ยประมาณหนึ่งใน ประมาณสี่ในห้าเนี่ยของแปดชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอยู่ในภาวะใจลอยหรือฝันกลางวันทํางานจริงๆก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตหรือว่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นแหละว่ชั่วโมงครึ่งคนเราทํางานจริงเนี่ยแปดชั่วโมงทํางานจริงแค่ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยใจลอยฮะ ใจรอยอันนี้อาจจะยังไม่นํำในผู้ที่มามาขัดมาแทรกนะคนมาคุยด้วยหรือว่ามีข้อความ s อสส่งเข้ามามอาีอีเมลมาที่ทาไม่ต้องตอบระหว่างทำงานหรือว่าเขียนข้อความในไลน์ในเฟซบุ๊ก นี่ไม่ใช่งานนะแต่ว่ามันก็ดึงเวลาไปทำงานจริงก็ประเดี๋ยวประดาวธรรมชาติของสมองเป็นอย่างนั้นนะใจลอยแปดสิบเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนมันก็จะมีค่อยจดจ่อถึงเรียกว่าเวลาจะใส่ใจอะไรไมันต้องใช้ความพยายามสักหน่อย แต่พอทำไปแล้วความใส่ใจก็จะเริ่มเป็นนิสัยเวลามีอะไรมาดึงดูดใจให้มันลอยออกไปข้างนอกสติก็จะเรียกจิตกลับมาสติก็คือความระลึกได้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าตอนนี้ใจกำลังลอ ย, ยสติมันก็ทำงานสองอย่างระลึกได้ในสิ่งที่ ในสิ่งที่ผ่านไปหรือเพิ่งผ่านไปแล้วก็รู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันบางทีธรรมะมันก็ได้มาจากธรรมะที่สำคัญสำคัญเนี่ยหรือลึกซึ้งก็ได้มาจากการสนทนาพูดคุยกับคนทั่วไปบางทีอาจจะไม่ได้นึกว่ามันมาจากคือไ ม, ไม่ต้องมาจากพระก็ะด้างหีจากแม่ค้าจากอาม่า มีใครไปอบรมนะอบรมให้กับคนไทย่วนใหญ่ก็ผู้หญิงแหละเพราะว่าในยุโรปนี่คนไทยที่ไปปักหลักที่นั่นเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าแต่งงานแต่งงานกับคนเยอรมันแต่งงานคนสวิสแต่งงานคนดัชสามประเทศนี้มีคนไทยก็ประมาณ8 0ดหมื่นคนไนดะ้มั้ง ถ้าอยู่ยานี่ก็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนเหล่านี้ก็น่าจะมีชีวิตที่สะดกส บ, ส, สบายแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหากับสามีปัญหากับลูกเหมือนคนไทยในเมืองไทยเลยก็มีการอบรมก็บางคนก็เล่ามาน่าสนใจ มีเพียงคนหนึ่งก็เห็นลูกกำลังลูกอยูบาลสิบขัวสิบเอ็ดขัวกาลังวาดรูปคือในกิจกรรมที่อบรมเนี่ยนะก็มีการวาดรูปด้วยแล้วก็หลายคนก็ไม่กล้าไม่กล้าวาดรูปนะขี่เข น, นอะไรก็ไม่รู้เนะพอเขาเรื่องการวาดรูปเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่กล้า ไม่กล้าวาดก็ก็มีการสนทนากับเรื่องนี้แลกเปลี่ยนกันก็มีคนหนึ่งพูดว่าเคยเห็นลูกว่าลูกเนี่ยดูอายุแค่สักสิบขวบปุ๊ดลูกชายว่าลูกอย่างสนุกเลยแม่ก็เลยถามลูกว่าลูกวาลูกมันยากไหม ลูกก็ตอบว่าเนี่ยมันยากนะถ้าอยากวาดให้เหมือนนะ่ะแต่ถ้าไม่อยากให้เหมือนเนี่ยว่านไม่ยากหรหรือถ้าไม่ต้องการให้เหมือนนี่วาดไม่ยากเลยเธอที่ิงก็ปิ๊งเลยนะว่าโอโ้ลูกนี่พูดได้ได้ลึกซึ้งมากที่ยังมันมีความหมายในแง่ธรรมะด้วยนะไอ้ความยากความยากนี่มันใกล้กันมากเลยที่จริงมันก็ไปเหตุเป็นปัจจัยกัน ความยากก็เป็นมันก็เป็นความยึดอย่างหนึง่งคนเราถ้าอยากนะถ้าอยากเมื่ อ, อไหรเนี่ยมันทำอะไรก็ยากนะมันยากมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะมันกลายเป็นเครียดขึ้นมาอยากเวลาทำเจริญสตินั่งสมาธิอยากให้สงบเนี่ยการนั่งสมาธิจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีเลย หลายคนก็บอกว่านั่งไม่ไหวห้านาทีก็ไม่ไหวมันฟุ้งไม่หมดเลยที่จริงฟุ้งไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาคืออยากจะให้หยุดฟุ้งคนนั่งสมาธิเนี่ยเจริญสติเนี่ยมือใหม่เนี่ยผู้ใหม่หลายคนเนี่ยมันเขามีความตั้งใจตัยย้งแต่แรกมีความตั้งใจตัยย้งแต่แรกว่าเนี่ยอยากจะให้มันหายฟุ้งซ่านพอเริ่มต้นแบบนี้เนี่ย เมื่อไรเนี่ยก็จะนั่งไม่ได้นานเพราะจิตมันฟุ้งหนดแลวก็เลยจะเครียดพอเครียดแล้วก็บอกไม่ไหวแล้วไม่นั่งแต่ถ้าเกิดว่านั่งโดยที่วางใจถูกคือไม่ไม่มีความอยากให้ ม, มันสงบก็จะนั่งได้นานแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นญ้า ก็เหมือนกับเล่นกีฬาเล่นกีฬามันเล่นบอลเนี่ยมันไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเอาชนะกันถ้าอยากจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องลําบากขึ้นมาความอยากมันทําให้กลายเป็นยากขึ้นมาหมวงพอเทือนหนึ่งแนะนำไงว่านักคนปฏิบัติเป็นไหมว่าทําเล่นเล่นทำเล่นเล่นก็หมายควาว่าได้ ฟุ้งบางไม่ฟุงฟุงไม่ฟุงก็ไม่เป็นไรซึ่งความหมายในยนันยังคือให้วางความอยากลงซะเวลาเราทำเล่นๆนี่ยเราไม่คิดจะเอาชนะหรือว่าไม่ได้หวังผลอะไรมากนะก็แค่ทำผลจะเป็นอย่างไรก็ไม่ไม่สนใจเวลาเราทำเล่นๆจะเป็นอย่างนั้นจะเล่นหมักคอสนะเล่น ดีลูกขินหรือว่าเล่นฟุตบอลน่ถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ เ, เนี่ยมันก็แพ้ชนะไม่สำคัญมันก็เลยเป็นสนุกไปอย่างเงี้ยบางทีโดนยิงยิงจนพลุนนี่กับสนุกด้่ซ้ำนะเวลาเล่นกับเพื่อนโดนยิงดนพลุนเนี่ยสนุกเพราะว่ามันไม่ได้คิดอยากจะชนะคือยิงได้ไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวนี้การวาดรูปมันกลายเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าถูกสอนมาว่าต้องวาดรูปให้เหมือนโดยเพราะในเมืองไทยนี่สอนวาดรูปเนี่ยผิดมากต้องวาดให้เหมือนเด็กว่าไม่เหมือนเนี่ยถูกครูตีและบางทีต้องวาดด้วยมือควาเหมือนครูด้วยนะวาดด้วยมือซ้ายนี่ก็ครูก็ว่าคือวาดไม่เหมือนครู นอกจากจะต้องวาดให้เหมือนให้เหมือนภาพต้นแบบแล้วต้องต้องวาดให้เหมือนครูด้วยคือต้องวาดด้วยสไตล์แบบครูหรือว่าวาดด้วยมือขวาแบบครูควรไม่เข้าใจนะคนใทยไม่เาใจว่ า, วาเนี่ยก็คือต้องวาดให้เหมือนนี่อย่มันไม่ใช่นะว่าคือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความสุขของเรามาจากใจสู่มือศิลปินชื่อดังนี่เขา เขาเลิกไปแล้วนะวาดให้เหมือนแต่เขาวาดอย่างที่เขาเห็นของจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาเห็นอย่างไรเขารู้สึกกับมันอย่างไรเขาก็วาดที่แหวกนก้นนี่มีชื่อเนี่ยเพราะเขาวาดตามความรู้สึกของเขาเขาวาดภาพนี้ก็าวาดตามที่เขาเห็นเขาเห็นอย่างไรเขาก็วาดอย่างนั้นซึ่งมันไม่เหมือนหรอก แต่วพอไม่เหมือ น, ม, นมันถึงมันถึงมีมีความพิเศษมันแสดงถึงอารมณ์เขาเไปดูเขาว่าต้นไซ p r e s ไซเปรสต้นไม้ค่ะต้นต้นสนเนี่ยสีเขียวนี่แต่เขาปาดด้วยผูกกันนี่เหมือนกับต้นไม้มันลุกเป็นไฟเยวิธีการปาดของเขานี่ด้วยสีแปลงเนี่ยมันปาดด้วยอารมณ์ที่เหมือนกับว่า ต้นไม้กำลังลุกนะทั้งที่มันเป็นสีเขียวสีสีสีคล้ำสีเทาแต่ว่ามันสีแปลง ม, ม, มันมันมันบ่งบอกถึงอารมณ์ที่พลุยพุ่งออกมาเขาว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนนี่โอ้โหมันมันแสดงความความปั่นป่วนข้างในคนดูก็รู้สึกได้ คือวานี่มันไม่ต้องวาดให้เหมือนหรือทำมาที่สวยก็ได้นะแต่ว่ามันสามารถจะขย่าอารมณ์หรือว่ามันสามารถจะทําให้อารมณ์นี้สันไหวได้ถ้าแวนโกววาดให้เหมือนนี่คงจะไม่มีชื่อก็คงจะเป็นเหมือนกับนักรับจ้างวาดภาพธรรมดาวาดโปสเตอร์หนัง ผู้ใหญ่คนไทยในี่ยเข้าใจผิดตั้งแต่เล็กเลยนะว่าวาต้องวาดให้เหมือนนั้นพอวาพอไม่เหมือนเข้าก็ไม่อยากว่าการวากับเป็นเรื่องยากเพราะอยากให้เหมือนไอ้ความยากความยากอ ย, าอย่างที่บอกเวลามันอันเดียวกันเพราะว่ายากเนี่ยพอยากเนี่ยมันทาให้ยึดพอยึดแล้วเนี่ยนะ มันก็ต้องพยายามที่จะพอยึดแล้วมความทุกเกิดขึ้นทันทีอย่างที่เรารู้นะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยแขนนหาเป็นของหนักเน้อการแบกการยึดเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราว่าด้วยความยึดความยามก็ทุกข์ก็คือกลายเป็นยากขึ้นมาคะ ว, ว่าทุกข์ยามก็บอกอยู่แล้วนะทุกข์ยามเนี่ยทุกข์ยากกับยากและยึดนี่มันพี่น้องกัน ถ้ามีความอยากมีความยึดมาแล้วมันก็มันก็ยากมก็ทุกข์ทันทีอันนี้คือสิ่งที่แม่นี่ได้จากลูกลูกอาจจะไม่คิดไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สะท้อนเห็นถึงความจริงหรือกฎธรรมชาตินะว่ายากมันเป็นเพราะยึดทุกข์มันเป็นเพราะยาก แม่เองก็ไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะแม่มองเป็นงแค่ว่าเออถ้าเราไม่อยากให้เหมือนมันก็วาดภาพได้สนุกแต่ว่าถ้าหมองให้ลึกไปเนี่ยมันมีความหมายมากกว่า น, นั้นมันเป็นมันสะท้อนในเห็ น, หนความจริงเกี่ยวเรื่องความทุกข์ความยากของชีวิตของผู้คนเวลาทำอะไรก็ตามแมรวมทังการบำนชีวิตด้วยถ้าอยู่ด้วย ถ้าอยู่มีชีวิตเต็มไปด้วยความยึดความอยากก็ชีวิตนั้นก็ทุกข์การอยู่กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาอยู่การอยู่เป็นผู้เป็นคนกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะมันเต็มไปด้วยความยิดความอยากอยู่วัดมก็เป็นเรื่องยากขึ้นมานะเพราะว่ายึดและอยากอยู่เป็นพรามณ์ก็ยากแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าว่าเต็มไปด้วยความยึดและความอยาก แต่ไม่ได้แปลว่าพอไม่ยึดไม่หยาดแล้วคือนั่งเฉยเฉยนั่งเล่นไม่ใช่นะก็ต้องทําทําแต่ทําโดยที่ไม่ยึดไม่หยาดหลวงพ่อเทียนก็เลยบอกให้ทําเล่นเล่นยิ่งบวชพระนี่บวชเล่นทําอยู่บวชเล่นเล่นก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ประพฤติตามพระวินัยนะประพฤติตามพระวินัยแต่ว่าอย่าให้วางใจให้ถูกนะเพราะว่าถ้าไปไปแบกพระวินัยเนี่ยมันก็เครียด ปวดพระก็อยู่ด้วยความทุกข์หลายคนก็อยู่ด้วยความเครียดมากนะเพราะว่าไปแบกเพราะวินัยไม่ได้มีไว้แบกนะมีไว้เป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาทําทไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เ, เริ่มต้นทําใหม่แต่ว่าทาเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสทํากิจด้วยจิต ท, ที่ปล่อยวางน ปล่อยว่างจะความอยากคนไม่เข้าใจาพอไม่อยากแล้วนี่ก็คือไม่ทําอะไรเลยก็ทํานะแต่ไม่ได้ทํำด้วยโดยมีความอยากเป็นแรงดันทําด้วยความเมตตากรุณาทําเพราะเห็นว่ามันดีก็ได้คือทํำด้วยปัญญาช่วงที่ไปอยู่ไปยุโรปนี้ก็ ได้แวะไปวัดไปอยู่พักวัดไทยอยู่หลายแห่งมีวัดหนึ่งน่าสนใจนะเป็นวัดในฮอลแลนด์นะไปซื้อโบสมาโบคสคริสเพราะว่าไม่มีคนเข้าวัดแล้วเดีย๋ยวนี้ในยุโรปเนี่ยจนไปถึงอังกฤษเนี่ยอาจจะย ก, ยกเป็นสเปนนะยกเป็นสเปนนี่ริงสเปนก็เหมือนกันแหละแต่ ก็คือคนเข้าวัดน้อยลงคนเข้าวัดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคริสต์ตังหรือคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์วัดไม่มีคนเข้าบวชไม่มีคนเข้าก็เลยต้องขายวัดไทยก็แดนนิสงนะไปซื้อมาเป็นงนี้อยู่หลายแห่งนะในอเมริกาก็เหมือนกันวัดที่เซนหลุยที่หลวงพ่อแดนนิมนให้ไปแสดงธรรมก็เคยเคยเนบวชคริสตมาก่อน อันนี้มันก็ถ้าถ้ารู้ประวัติศาสตร์ภูมิหลังของศาสนาคริสต์ในยุในยุโรปนี่มันก็มันก็น่าเศร้านะหรือว่าน่าคิดก็ได้คือเมื่อสามสี่ร้อยปีก่อนเนี่ยมันผู้คนนี่เรียกว่ายึดติดถือมั่กับศาสนามากถึงขั้นทำสงครามกันกันกบพศาสนา ใครที่นับถือไม่เหมือนตัวเองเช่นแทนที่จะเป็นคาทอลิกก็ไปเป็นโปรเตสแตนต์ก็คริสต์เหมือนกันนะพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่านับถือคนละแบบก็ถึงขั้นเข็นฆ่ากันในสเปนเรื่องที่เล่าไปเมื่อหวันก่อนใครที่เป็นโปรเตสแตนต์ก็ถูกจับเผากลางกรุง ในจตุรัสเนะี่ยมันมีจัตุรัสชื่อว่าพลาซ่ามายอคนนักท่องเที่ยวต้องรู้จักทั้งนั้นถ้าไปเมดิเตอรคนก็ไม่รู้น่กาการจัตุรัสนั้นเคยมีการไต่สวนศรัท ธ, ธาความเชื่อของผู้คนแล้วก็ใครที่ไม่เชื่อแบบแาทอลิกก็ถูกเผาทั้งเป็นในจัตุรัสกลางกรุงที่ปรากนะก็เหมือนกันเป็นจัตุรัสที่สวยมากแลก็เคยเผาคนมาแล้ว ส่วนโปรเตสแตนต์ก็เผาเหมือนกันนะใครเป็นคาทอลิกก็เผาตอบโต้แก้แค้นแล้ววันนดี้คืนนี้ก็ยกทัพก็ไปทำสงครามกันสเปนก็ลุยไปถึงฮอลแลนด์สเปนนี่มันอยู่ดูหลบตาก็ลุยไปถึงฮอลแลนด์นะเพราะฮอลแลนด์มันเป็นอะไรคนนับถือโปรเสตสแตนต์เยอะสเปนก็ถือก็เป็นผู้พิทั ก, กษ์ศาสนาคาทอลิก พี่ทักมาถึงขัานยกพลรวมพลเงินไปยึดเยรูซาเล็มจากจากอิสลามก็หลายครั้งคือฆ่ากันตายเป็นเบื่อเพราะศาสนานะแต่แล้ววันดีคืนดีพอมาถึงยุคนี้บอกศาสนาฉันไม่สนใจแล้ววัดไม่เข้าแล้วใครจะนับถือก็นับถื อ, ถอไปฉันไม่ฉันไม่สนใจคือเคยเอาเคย จะฆ่ากันตายเพราะศาสาศนาแล้ววันแล้ววันหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาแล้วาศาสนากูไม่สนใจแนละ้คือมันมันชวนให้ให้สังเวชนะมันเหมือนกับว่าเด็กที่ทะเลาะกันเรื่องประสาททายนะเด็กเด็กก่อประสาททายขึ้นมาชายหาแล้วก็ทะเลาะกันนะ ก็พยายามที่จะยึดประสาทสายของกันและการ ก, ก็ต่อสู้ถึงขั้นตอบเตียนเอาจริงอดจังมากแต่พอตกเย็ยนแม่เรียกกลับบ้านก็ก็เลิกเลิกไม่เลิกป่าก็ทือประสาททายทิ้งเลยเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วยังทะเลาะกันจะเป็นจะตายแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นค่าแล้ว ไอสิ่งที่ผู้คนมันก็เหมือนกับศาสตเหมือนมั น, มนคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันนะรัเสเซียเนี่ยโอ้ก่าจะปฏิวัติคอมมิวนิสต์ขึ้นมาได้นี่ฆ่าตายเป็นเบือ่อจีนก็เหมือนกันนะล้มตายกันไปยี่สิบสาสิบล้านคนก่อนจะสถาปนาลัทคอมมิวนิสต์ขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ไม่มีประเทศไหนที่เป็นคอมมิวนิสต์จริงจังแล้ว รัสเซียนี่กันเลิกเลยนะคอมมิวนิสต์จีนนี่ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่ามันก็เป็นแต่รูปแบบแต่ว่าไม่มีใครสนใจรัฐคอมมิวนิสต์ในฐานะที่เป็นรัฐทีคือม่เห็นเลยหนึ่งเห็นความไร้สาระนะไอ้สิ่งที่เคยฆ่ากันล้มตา ย, ยแต่ละวันหนึ่งก็บอกไม่มีความหมายไม่มีไม่สนใจแล้ว มันก็ทําให้อดคิดไม่ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายในหลายเรื่องในหลายเรื่งเช่นประชาธิปไตยเนี่ยเคยฆ่ากันตายเพื่อประชาธิปไตยในฝรั่งเศสนี่ก็โอ้โหฆ่ากันมารู้กี่ร้อเพื่อประชาธิปไตยเสร็แล้วพอได้ประชาธิปไตยมาก็มีคนสนใจแบบนี้เลือกตั้งก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ ในหลายประเทศในยุโรปนี่การเลือกตั้งนี่หาคนเริ่มมีปัญหาคนไม่ค่อยอยากจะมาลงคะแนนเสียงกันถ้าเป็นระดับประเทศนะถ้าเป็นระดับท้องถิ่นยังเป็นอีกเรื่องนในสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่นเป็นบ้าเป็นหลังแล้ววันดีวันดีคืนดีก็ไม่มีความหมายมันก็สะท้อนนี่เป็นบทเรียนให้กับบ้านเมืองเราเหมือนกันนะที่ตอนนี้กําลังเป็นบ้าเป็นหลังกับอะไร ความพิจารณาเมืองความเชื่อทะเลาะกันแม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานอีกไม่นานสิสิบปียี่สบปีสาปีมันก็จะไม่สนใจกันแล้วอาจจะนึกได้ว่ามันทําไมเราไปบ้าทะเลาะกันทาไมเรื่องนี้นเหมือนกับคนยุโรปคนอเมริกาีนี้ก็สงสัยแล้วคนรุ่นบรรพบุรุษกูไปฆ่ากันตายเรื่องศาสนาทาไมมันไม่มีอะไรเลย ที่เมืองไทยเราทะเลาะ ก, กันจะเป็นจะตายเนี่ยลองถ้าเรามียุ่ยู่สักสี่สิบหสิบปีข้างหน้าจะคนจะมองว่มันทำไมมันไปบ้าบเรื่องไรสาระอย่างนั้ น, นอันนี้ก็แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีไม่ค่อยมองไม่ค่อยมีความรู้หรือมองไกลขนาดนั้ น, นก็เลยไม่มีบทเรียนจากปวติศาสตร์ ก็เลยซ้ํารอยเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องจากที่เคยทะเลาะ ก, กันฆ่ากันตายเรื่องศาสนาก็มาฆ่ากันตายเรื่องคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยแทนเสร็จแล้วฆ่าสักพักก็เลิก้จะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นไปอนุญาตแต่คนไม่ยอมเป็นกันแล้วประชาธิปไตยก็ได้มันแล้วก็ไม่สนใจไปสนใจอย่างอื่นแทน มันเหมือนกับเด็กที่แย่งเอาของเล่นพอได้มาแล้วก็ทิ้งไปเอาของเล่นอันใหม่ธรรมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะปลอดสารของมนุษย์ต้องไปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่านี้ไม่พ้นเน่งความจริงเกี่ยวเรื่องอุปท า, านชาเนี่ยเพื่อท่านนี้กราบพระ